ความพร้อ ม, อมไม่มีในโลกการทําใจให้บริสุทธิ์เพื่อเข้าถึงพระรตัตนะตรัยในตัวไม่จำกัดกาลเวลาและสถานที่ที่ตรงไหนที่เรานึกถึงพระรตัตรนะตรัยะถานที่ตรงนั้นเป็นอริยะเป็นที่สว่างที่บริสุทธิ์เป็นแหล่งกำเนิดแห่งบุญกุศลขึ้นมาในใจของเรา เพราะฉะนั้นเราหมั่นฝึกฝนไปเรื่อยๆทั้งลืมตาและหลับตาทุกอุทยาบทุทกสถานที่แม้ในห้องน้ำที่เราจะต้องไปขับถ่ายอาหารเก่าอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันก็เป็นสิ่งที่สมควรทําอย่างยิ่งฝึกทุกวันแล้วก็หมั่นสังเกตว่าเราวางใจอย่างไรนึกอย่างไรประคองใจอย่างไร วันนี้ใจจึงอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างนิ่งๆ น, นุ่มๆเบาสบายได้ต่อเนื่องหรือวันใดเราทำอย่างไรจึงได้ผลตรงกันข้ามสิ่งนี้ไม่มีใครทำแทนกันได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราเองเราต้องสังเกตต้องแก้ไขและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่จํากัดกาลเว ล, ลาและสถานที่อย่าไปคอยความพร้อมแล้วถึงค่อยทา เพราะความพร้อมในโลกนุษนี้หาได้ยากอย่างยิ่งความพร้อมอยู่ที่เราลงมือทำอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองทาทุกสิ่งควบคู่กันไปปัญหามีเราก็แก้งานในชีวิตประจาวันเราก็ทาไปบุญก็ต้องสร้างสมาธิก็ต้องนั่งทำทุกสิ่งไปพร้อมๆกันอย่าไปคอยให้ทุกสิ่งพร้อมเพราะความตายไม่หีกนิมิตหมายและความพร้อมจริงๆหาได้ยากยิ่ง แม้แต่โรมมโพธิสัตว์เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะซึ่งพระองค์มีความพร้อมมากกว่าเราในทุกด้านท่านยังต้องสลัดทุกสิ่งปลีกวิเวกหาที่รื่นรมไม่การสแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าที่ท่านมีอยู่ก็แปลว่าความพร้อมอยู่ที่ใจท่านพร้อมลงมือทำทันทีนักภาษาอะไรกับเราซึ่งหยับยาบนี้เราไม่มีความพร้อมเท่ากับท่านดังนั้นเราก็ต้องทำควบคู่กันไป เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ประคองใจไปนิ่งๆ น, นุ่ ม, ม au, ๆเบาๆสบายๆนึกถึงดวงใสๆหรือองค์พระใสๆในกลางท้องของเราให้ต่อเนื่องบางครั้งใจแวบไบปคิดเรื่องอื่นบ้างก็ช่างมันเพราะเรากำลังเป็นนักเรียนใหม่ยังฝึกฝนอยู่กับเราไม่ค่อยจะให้โอกาสตัวเองนั่ง น, นานๆนิ่งนานๆ เรานั่งบ้างไม่นั่งบ้างมันก็นิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยประคองใจถ้ามันแวบไปเราก็ดึงกลับมาก็แค่นั้นเองแล้วก็ประคองใจหยุดใจไว้เรื่อยๆใจที่ถูกส่วนนึกถึงดวงหรือองค์พระให้ต่อเนื่องนึกว่ามีอยู่แล้วก็อยู่ตรงนั้นอย่างเบาๆสบายๆแล้วเดี๋ยวก็ถูกส่วนเองตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกฝนใบใหม่ ถ้าฝึกฝนทุกวันมันจะค่อยๆปรับปรุงของมันเองจนกระทั่งก้าวไปสู่ความถูกส่วนซึ่งตอนนั้นเราก็จะได้รู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าถูกส่วนเป็นอย่างนี้เพราะว่าเมื่อถึงตรงนั้นใจมันอยากจะอยู่อย่างนั้นนานๆและก็ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเห็นหรือไม่เห็นอยากอยู่กับอารมณ์อย่างนี้พึงพอใจอย่างนี้นานๆโดยไม่หวังสิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทน อะไรจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่ได้กังวลจะมืดหรือสว่างก็ไม่กังวลจะมีภาพมาให้เห็นหรือไม่มีให้เห็นก็ไม่กังวลสรุปว่าไม่กังวลกับอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละถูกส่วนและใจก็จะเริ่มรู้สึกนุ่มไม่กระด้างความนุ่มของใจที่สัมผัสได้เหมือนเราสัมผัสผ้สผานุ่มๆวัตถุที่นุ่มๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่านุ่มๆ ใจที่นุ่มนวลใจเมื่อนุ่มนวลเราก็จะรู้ด้วยตัวเราเองว่าใจนุ่มนวลแล้วถ้านุ่มนวลใจก็จะยิ่งนานนานขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่เดือดเนื้อร้อนใจกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นแล้วจะไม่สนใจสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังจากเพื่อนกรลยานมิตรที่มาเล่าประสบการณ์ภายในของตัวเองหรือของคนโน้นคนนี้เราจะไม่สนใจมากเกินไป สนใจแค่เป็นเพียงกำลังใจให้กับตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะมีประสบการณ์ภายในเช่นเดียวกับเขาที่จะนำมาเล่าเป็นธรรมทานแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ถึงตอนนั้นใจก็จะเริ่มนิ่งนุ่มนานแล้วก็มีความสุขเล็กๆหรืออย่างน้อย<ม>ก็ไม่สุขไม่ทุกข์ที่เขาเรียกว่า อัุถุขมสุคือไม่สุขแต่มันก็ไม่เป็นความทุกข์มันจะเป็นกลางๆเฉยๆแต่ยังไม่มีความสุขอย่างที่เรายอมรับว่ามีความสุขแต่ณจุดนั้นถ้าเราประคองต่อไปจากอัุถกขมะสุหรือไม่สุขไม่ทุกข์นั้นใจก็จะประนีตขึ้นเหมือนถูกกรองถูกกลั่นให้ละเอียดเข้าไปเป็นคันๆใจจะใสขึ้นลึกซธิ์ขึ้น คามสุขก็จะเริ่มมาในเบื้องต้นจะรู้สึกโล่งโปรง่งเบาสบายไม่อึดอัดไม่คับแคบไม่มีข้อจํากัดสําหรับกายมนุษย์ว่าจะต้องโตเพียงแค่นี้มีขอบเขตเพียงแค่นี้แต่ดูเหมือนเส้นรอบวงขอบเขตของกายถูกตัดออกไปถ้าเป็นบ้านก็เหมือนกับพัง่าออกไปแล้วก็จะค่อยๆขยายขึ้นไปกว้างขึ้น รู้สึกตั ว, ตวโตขึ้นพองขึ้นขยายขึ้นเบ่งบานขึ้นซึ่งความเบ่งบานของใจที่ขยายมากพรพ้อมกับความสุขที่เราสัมผัสได้และยอมรับว่าเออเรามีความสุขซึ่งแตกต่างจากที่เราเคยเจอบ้างนิดหน่อยแล้วเหมือนไปเหยียบชาญเรือนแห่งความสุขคล้ายๆกับเราเข้าไปใกล้แหล่งน้ำตกหรือชายทะเลเราได้ยินเสียงน้าตกเสียงคลื่นกระทบฝั่ง แล้วมีความรู้สึกว่าเออเราใกล้สิ่งนั้นเข้าไปแล้วถ้าได้รับละอองน้ํากระเซ็นเข้ามาก็ เ, าเริ่มมีความรู้สึกสดชื่นเล็กๆขึ้นมาความสุขภายในก็เช่นเดียวกันมันก็จะได้ค่อยเพิ่มขึ้นทําตัวเหมือนหุ่นยนต์สิ่งที่เราจะต้องทํา ม, มีเพียงอย่างเดียวคือหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายเฉย ไม่ว่าจะมีความสุขเพิ่มขึ้นแค่ไหนก็เฉยเฉยมีภาพปรากฏให้เห็นก็เฉยเฉยมีแสงสว่างเกิดขึ้นก็เฉยเฉยอย่าไปแสวงหาคำตอบต้องหัดทำตัวเป็นมนุษย์หุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองคิดไม่เป็นวิเคราะห์ไม่เป็นวิจัยวิจารณ์ไม่เป็นนิ่งอย่างเดียวแช่อิ่มอยู่ในความสุขสบายนั้นไปเรื่อยๆ อย่าเพิ่งไปอยากรู้อะไรในเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาอย่าเพิ่งไปชิงสุดก่อนห่างในการเรียนรู้เพราะเราเพิ่งจะฝึกให้ได้หยุดแรกและหยุดแรกเกิดขึ้นก็มีประสบการณ์ภายในระดับหนึ่งเหมือนเพิ่งเรียนกอกไก่ขอไข่อย่าไปถึงขั้นแอดวานซ์ว่าทําไมไม่เรียนกอไม่เรียกกอไข่ทําไมเรียกกอกไก่เพราะมันยังไม่ถึงเวลา หน้าที่ของเราคือนิ่งนุ่มเบาสบายผ่อนคลายเฉยเฉยไม่คิดอะไรทำตัวเหมือนหุ่นยนต์อย่างนั้นแหละนิ่งๆิ่งมีอะไรให้ดูเราดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวเราจะสมปรารถนาในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างที่มหาเศรษฐีของโลกไปไม่ถึงไม่มีอะไรที่จะง่ายไปกว่านี้ที่ทำใจหยุดนิ่งนุ่ม เบาสบายผ่อนคลายมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น ม, มีดวงมาให้ดูเราก็ดูดวงมีแสงสว่างมาให้ดูเราก็ดูแสงไม่ต้องไปคิดต่อว่าแสงมาจากไหนใครเอาไฟมาส่องเราเราลืมปิดไฟหรือเปล่าซึ่งมักจะเป็นกันเป็นส่วนมากสำหรับนักเรียนใหม่ที่ทาตัวเหมือนหุ่นยนต์ไม่เป็น ทำให้ใจต้องถอยลังกลับมาสู่จุดเริ่มต้นใหม่อีกก็เท่ากับเราไปสกัดกั้นความก้าวหน้าของใจที่ต้องการความละเอียดด้วยความที่สงสัยของเรานั่นเองเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาที่จะสงสัยเราก็อย่าเพิ่งไปทำตอนนั้นแต่ถ้ามันถึงเวลาแล้วเมื่อเราเข้าถึงธรรมกายศึกษาวิชาธรรมกายได้แล้วตอนนั้นแหละ เราจะเริ่มเอาคำถามขึ้นมาใช้ถามกับเราอย่างเช่นทำไมต้องเป็นดอกบัวดอกบัวมีความเกี่ยวข้องกับความดีและพุทธศาสนาอย่างไรก่อนเรามาเกิดเรามาจากไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้เรากำลังฝึกเรื่องหยุดนิ่งซึ่งเราไม่เคยฝึกกันมาก่อนในชีวิตก็ต้องให้มันเป็นไปตามขั้นตอนของการศึกษาเรียนรู้ชีวิตภายใน มันมีความลับของชีวิตอีกเยอะแยะที่เราจะต้องเรียนรู้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าอะไรคือความลับของชีวิตอีกมากมายเวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็ฝึกฝนกันไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะ